สิ่งที่เป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสาเร็จในชีวิตของเราคือบุญกุศลที่เราได้ทำไว้อย่างดีแล้วจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตเราจะเข้าถึงความเป็นเศรษฐีเป็นหมหาเศรษฐีได้กับพระบุญเราจะเข้าถึงความเป็นพระราชาเป็นพระเจ้ า, จากษัตริได้กับพระบุญ เราจะกระทำความเป็นพระอริยเ จ, รรเจ้าพระปเจวัชรเจ้าหรือเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้กับพระบุญเพราะฉะนั้นบุญจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราได้บรรลุเ ป, ป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้นะจ๊ะมีวารพระบาลีที่ปรากฏในคุตกัิกายคาถาธรรมบทความว่าก่อทางเฉตวาสุขังเสติ ก่ัทงเฉตวานสโสจติกอทสสะวิสมูลสะมาุรัสสะปรมณนะปัทังอริยาปสังสันติตันหิเฉตวานสโสจติบกคลค่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขค่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกโดยกานพระรามพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการค่าความโกรธ อันมรีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่าบุคลคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกกิเลสตระกูลโทสะเป็นกิเลสตระกูลใหญ่ที่มีเจ้าผลต่อมนุษย์ถมนุษย์ประมาทไม่รู้จั ก, จกระมัดระวังสมรวมใจของตอนเองแล้วก็จะถูกโทสะครอบงำจิตใจได้ตลอดเวลาโทสะเกิดขึ้นง่ายแต่ก็หายเร็ว มีโทษมากบื่อ้ายถูกโทษสะครอบงำจิตใจแล้วจะทำให้เกิดความรุ่มร้อนขึ้นภายในใจจนกระทั่งแสดงออกมาทางกายเช่นมุ่งที่จะทำร้ายผู้อื่นพูดจาห ย, ยาบคายเพราะจิตใจมีอารมณ์ขุนโม่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วต้องระ ง, งับให้ได้ถ้าระ ง, งับความโกรธไม่ได้ ก็จะกระทบคนอื่นในได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเหมือนทั้งเรื่องที่หลวงพ่อจะไล่ฟังต่อไปนี้นะจ๊ะครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทางมาจากวัดที่อยู่ในชนบทเพื่อข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งประทับอยู่ในวัดพระเชตวันหลังจากถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วได้ไตฐ า, านสา ม, มเณรว่าสา ม, มเณรในเมืองสาวัตถี มีใรมาพู้ดูแลอุปถาพระภิกษุอคันธุกะผู้มาจากแดนไกลสามเณรตอบว่าท่านอาจารย์คนที่คอยดูแลพระภิกษุก็เห็นมีแต่ทานา น, น า, าบินิกะมหาเศรษฐีและวิสาขามหาวัสสิกาสท่านนี้เป็นหลักที่เหลือก็ทําตามวาระโอกาสส่วนทั้งสองท่านได้ดูแลอุปถากพระภิกษุสงฆ์เหมือนกับเป็นมิดามารดา เมื่อรู้แล้ววันเรุ่มขึ้นพระภิกษุรูปนี้จึงครองจีวรถือบาตรเดินออกจากวัดก่อนพระภิกษุรูปอื่นทั้งหมดไปยืนอยู่หน้าประตูบ้านของท่านอนาถบิิกะเศรษฐีตั้งแต่เช้าตรู่หลังจากท่านไปถึงช่วงที่ยังไม่ถึงเวลาถวายพระตาหารจะไม่มีใครสังเกตเห็นท่านก็กระถูกความมืดปกคลุมอยู่ ท่านจึงไม่ได้อาหารจากบ้านทันานาถาบิลิกาเตษ ถ, ถีแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ว่าจะได้ที่บ้านของวิสาขาหมหาอภัสกาเมื่อไปถึงประตูเรือนองนางแม้ที่บ้านของวิสาขาก็ยังไม่พร้อมที่จะถวายทานพระรูปนี้จึงไม่ได้พระตาหารอะไรสักอย่างเพราะความไม่รู้จักการท่านจออกเดินมิได้บาไปบ้านหลังอื่น ก็ยังไม่ได้อาหารอยู่ดีพอเดินวอกกลับมาบ้านธนาณาธิาบินิกาเศรษถีอีกแต่คราวนี้พอไปถึงเขาก็ถวายข้าวยาคูและฉันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่งจึงไปบ้านของวิสาขามหาวสิการ์ตก็ผิดหวังอีกเช่นเคยเพราะเขได้ถวายพระทหารกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปว่าวันนั้นท่านไม่ได้ฉันอะไรเลย จึงกลับวัดพระเชตวันเดอรมบูตรบึ้งขุนมัวรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากจึงเที่ยวพูดดูมิ่นตระกูลทั้งสองว่าเป็นตระกูลที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสเลยแล้วก็เห็นเป็นจริงอย่างที่พระภิกษุสำเนาพูดยกย่องขอเป็นตระกูลอภิษฐาที่มีความเลื่อมใสดูแลใจใสพระภิกษุสมำเนาเป็นอย่างดีจะมาวันหนึ่ง อาพิสูจ์ทั้งหลายได้นั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาเอ า, าสโศทั้งหลายมีพิสูจน์ชาวชนบท ร, รูปหนึ่งได้ไปบินบาททิท่านอนน า, าถมิจิกาเศรษฐีและมหาวสิกาวิสาขาก่อนเวลาจึงไม่ได้ฉันอะไรเลยแล้วก็เดบเที่ยวพูดดูมินท่านทั้งสองขณะที่สองกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นระรงศาสดาเสด็จรรมตรัสถามเรื่อง ที่กำลังคุยค้างเอาไว้ครั้นทรงสดับแล้วจึงรับสั่งให้เรียบวิุวคันตุกะคำอ่เฝ้าและตรัสถามว่าภิกษูจริงหรือที่เธอเทียบพูดดูมินตกูนุปทากประท่านยอมรับความจริงยังตรัสสอนว่าโดยกรวิกวูทำไมเธอจึงโกรดในปางก่อนครั้งที่พระเจ้าเมอบัติขึ้นลาดาบทพุทโธสีระพศ ตาไปสู่ประ ต, ตูตระกูลแล้วไม่ได้พิกาาก็ยังไม่โกรธเป็นผู้มีใจเป็นปกติไม่ยอมให้ความหิวก็ละหายครอบงำอีกทั้งท่านไปนึกตำหนิตระกูลเลยเวลาก็ทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาตรัสไล่ฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพุทมทัศครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีเช่นั้น พอบริษัทเถือันเกิดในตระกูพลพราหมณ์ไปเจริญวัยขึ้นก็ได้เดินทางไปเล่าเรียนศิลปะทุกอย่างที่เมืองตากาซีลาเมื่อเล่าเรียนจบแล้วก็ออกบวชเป็นดานบดศอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต่อมาต้องการจะบริโภคอาหารที่มีรสเคม็มและรสเปรี้ยวเพื่อสุขภาพจึงเดินทางไปเมืองพาราณสีได้กับพักอยู่ในพระราชอุทยานเพราะว่าลูกขึ้นยังเข้าไ ป, ปบิณฑบาตในตัวเมือง และได้สอบถามชาวเมืองว่าบ้านหลังไหนที่มีความเริ่มใสบํารุงสมณพราหมณ์ชาวเมืองตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นบ้านท่านภารานสีเศรษฐีเพราะท่านเจ้าพารุงเลี้ยงสมณพราหมณ์ดาบอ่จึงไปประตูเรือนของเศรษฐีแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นเศรษฐีไม่อยู่ได้เดินทางไปข้าวฟ้าพระราชาตั้งแต่เช้า อีทัคนที่บ้านทั้งเศรษฐีก็ไม่เห็นพระดาบดมื่อเป็นเช่นนี้ดาบดจึงเดินทางกลับแต่ก็ไม่เด็ดแสดงการขุ่นเคืองใจแต่รักษาใจเป็นปกติสุขขณะนั้นเองนางเศรษฐีกลับจากการเข้าเฝ้าพระราชาได้มาพบพระดาบดพอดีจึงเข้าไปไหว้ด้วยความเลื่อมใส่ผ่านการสนทนาสักครู่หนึ่งท่านเศรษฐีขอรับเอาภาชนะพิษา นำท่านเดินกลับไปบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วเชิญเชิญให้นั่นจานั้นได้ล้างเท้าทาน้ำมันบีบนวดให้พะข้าวยาคูและขอนิโคนเคี้ยวเสร็จแล้วก็ไเด้นน้ำถวายท่านได้อิ่มหนำสำราญและพระไดบดกระทําภพตกิจเสร็จแล้วเศรษฐีก็ได้ขึ้นไปนั่งเอกไกลแล้วก่าวขอไปต่อท่านดาบทว่าข้าแต่ท่านผูเจริญยาจกหรือสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรม ชื่อว่าพอมาถึงประตูเรือ น, นขา้าพเจ้าแล้วที่ไม่เคยได้สักการะและไทยธรรมย่อมไม่มีแต่วันนี้ทําไปได้ทินนั่งน้ําดื่มการล้างเท้าหรือข้าวยาคูและพัดเลยก็เพราะคนในเรือนของขา้าพเจ้าไม่เห็นท่านนับเป็นโทษ ข, ขา้าพเจ้าขอท่านยังอดโทษนั้นได้แก่ขา้าพเจ้าดีเถิดข้าจะไม่ได้ให้ตงังน้ําดื่มและโภชนาหารแก่ท่าน จะเจ้าเห็นโทษอยู่อย่างนี้ขอท่านโปรเป็นพลรมจารีจึงโอดโทษแก่ข้าพเจ้าดิเถิดดาบทพระโพธิสัตว์ได้ฟังแล้วจึงพูดตอบไปว่าอตรตมภาพไม่ได้ก่อเกี่ยวอะไรเลยไม่ได้นึกโกรธเคืองแมายความไม่ชอบใจอะไรใดของธรรมภาพต่อท่านก็ไม่มีเลยที่จริงธรรมาภาพก็คาดคิดว่าธรรมของสกุลนี้จักเป็นเช่นนี้ แต่ษีได้ฟังแล้วจึงกล่า ส, สืบไปว่าท่านผู้เจริญที่นั่งน้ำล้างเท้าน้ำมันทาเท้าทุกอย่างข้าพเจ้าให้อยู่เป็นนิดได้เป็นธรรมประจำสกุลนี้ซึ่งเริ่มทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษล้นปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงบำลุงสมณพราหมณ์โดยขอรบดุดญาติผู้สูงสุดท่านพาราณสีเศรษฐี ไดอรัตนาพระดาบท์พรมนักเป็นเนื้อนาบุญอยู่ที่บ้านสอนถึงสามวันจะได้แสดงทางโปรโดตนเองพร้อมด้วยทุกคนในครอบครัวพระดาบดเห็นว่าเศรษฐีเป็นผู้ฉลาดในการหาบุญจึงรับอรัตนาม่อยู่ครบกหนดแล้วก็พ้อมลากลับเข้าป่าขิมพานถ้าได้ตั้งใจบำเพะะ็ญบัตจนสามารถทำอพิญญาสมาบัตให้มันเกิดขึ้นได้ เมื่อพระบรมศาสดาทรงสแสดงพระธรรมเทศนาจบลงกับประกาศอริยสัจเวลาจบอริยสัจภิกษุชนบทรูปนี้กระแดบรู้ธรรมเป็นประโสดาบันจากนั้นมาท่านก็นเป็นพระผู้สำรวมอินทรีย์ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่เป็นคนเจ้าทสะมุ่งมั่นแต่จะปฏิบัติเพื่อทำดีสุดแห่งทุกข์ให้สำเร็จข้อคิดจากเรื่องนี้เราจะเห็นว่า การไม่ได้อะไรตามที่ใจคาดหวังไว้คนทั่วไปจะรู้สึกผิดหวังเสียอกเสียใจโทษส่กิเลจิ้งได้ชัง่งบังคับจิตใจทำให้ใจขุ่นมัวทำให้ขาดความสงบสํารมผู้จาว่าร้ายผู้อื่นผลเสียหายก็เกิดขึ้นกับตนเองละหมู่คณะเพราะไปเพ่งโทษผู้มีคุณต่อพระาศาสนาดังนั้น เราจะกระทำอะไรก็ตามอย่าเอาแต่ใจให้ดูเวลาและโอกาสให้เหมาะสมด้วยที่สำคัญจะเลีบไปดวนสรุปใครเพราะสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่ครับเป็นและไม่เป็นเช่นที่เราคิดเสมอไป<ส>พ้นทางควาใจในสรรพสิ่งโดยการมีโยนิโสมะน ส, สิการพิจารณาไตรตรองให้รอบขอบกิเลสอสวาจะได้ไม่มาครอบงาจิตใจของเรา จะได้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งมรารยาททางกายทางวาจาอีกทั้งจิตใจก็จะร่มเย็นมิสุขปลอดโปรง่งโล่งเบาสบายและผ่องใสเป็นประจำกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสาเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีสุขภาพปราณำไมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวติดสร้างบรมีกันเป็นนานๆานไอ้ครอบครวัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลกไอ้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยกระทึงมาธรรมกายได้โดยง่าย ได้เร็วพลันจงทุกท่านเถิดธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพานถึงสุด